สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าสิบสามนะครับเกี่ยว ก, กับความเชื่อสืบเนื่องจากการอัศจรรย์ครั้งที่สองของพระเยซูนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะต้องมีความเชื่อครับและความเชื่อนั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดร์เราทั้งหลายได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรม เพราะว่าผู้ชอบทำนั้นก็เริ่มต้นที่ความเชื่อและสิ้นสุดลงสุดท้ายก็ความเชื่อครับพี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตคริสเตียนเราต้องยอมรับความจริงนะครับข้อนี้ชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นที่ความเชื่อครับเมื่อเราอ่านพระเจนะของพระเจ้าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือการเทศนาสั่งสอนก็ดีหรือแม้กระทั่งเสียงที่พี่น้องได้ฟังในทุกๆเช้าครับจะทําให้ ความเชื่อของเรานั้นได้รับการพัฒนาและเพิ่มผูยิ่งขึ้นการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์รับพระสัญญาของพระองค์ก็จะทําให้ความเชื่อของเรานั้นเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเราก็จะยิ่งมีประสบการณ์กับพระองค์ในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับในชีวิตของเราเราจะลึกซึ้งกับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความเชื่อครับและขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราพัฒนาจากความเชื่อเริ่มต้นพี่น้องครับ ในพระชนกของพระเจ้าได้ให้เรามีความมั่นใจนะครับฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบเก้ากล่าวว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูกิตเจ้าพี่น้องครับเราเชื่อในพระสัญญานี้ไหมครับสิ่งที่เราขาดอยู่นะครับคืออะไรอันนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า น, นะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้ภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า บางทีนั้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรา want นะครับกับ need เหมือนกันเมื่อไหร่ชีวิตมีความสุขครับเพราะว่าลูกของโปรงนั้นไม่เคยขาดของดีของดีในที่นี้หมายถึง need นะครับใดๆเลยอยากจะให้ฟังพระเจ้าน่ของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับฮีบรูบทที่11เข้อที่1ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าส <ourcing> <inaudible> <awa> ิ <mejor> ่ง <jesteśmy> ที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงน้องครับปั้มปีข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อและเป็นเดฟน n i ั i o หรือคํานิยามของความเชื่อครับว่าความเชื่อนั้นคืออะไรถ้าเราบอกว่าความเชื่อนั้นคืออะไรเราต้องตอบว่าความเชื่อนั้นคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงในปั้มปีข้อนี้มีความจริงอย่างน้อยสามประการครับประการแรกก็คือนิยามของ ความเชือ่อคือความแน่ใจนะครับในสิ่งที่เราวังไว้หมายความว่าสิ่งที่เราหวังไว้นั้นยังไม่ปราฯกฏให้เห็นนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่หากใครก็ตามที่มีความเชื่อเขามีความแน่ใจครับว่าเขาจะได้รับสิ่งที่เขาหวังไว้ในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับชีวิตนิรัน น, น, นั้นเป็นความเชื่อหรือเปล่ายอมรับว่าชีวิตนิรันนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อครับและเมื่อเราเชื่อปุ๊บ นะครับเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ทันทีนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับชีวิตนิรันดร์นั้นก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าชีวิตนิรันดร์นั้นมันรวมถึงชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ชีวิตที่จากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหากเรามั่นใจว่ามีชีวิตนิรันดร์จริงและเรามั่นใจว่าในวันหนึ่งเราจะได้รับจริงนั่นคือความเชื่อครับที่เป็นประการแรกประการที่สองนะครับ ความเชื่อนั้นเป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกในระดับสูงครับเป็นความรู้สึกในระดับสูงมันไม่ใช่เป็นความโกรธนะครับมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกร้อนหนาวนะครับแต่เป็นความรู้สึกระดับสูงคือความรู้สึกแบบมั่นใจนะครับเป็นความรู้สึกที่ใกล้ไปในลักษณะของความคิดและจิตวิญญาณเพราะฉะนั้น หากว่าเราแบ่งเขตของความรู้สึกนะครับความร so ู society, ้สึกระดับต่ําก็คือความรู้สึกของเรื่องของทางกายภาพนะครับร้อนหนาวเย็นนะครับรสชาติต่างๆนะครับการสัมผัสต่างๆนี่คือความรู้สึกในเบื้องต่ําแต่ความรู้สึกในเบื้องสูงนั้นก็คือความคิดจิตใจนะครับรู้สึกนึกคิดนะครับจิตใจเห็นความเชื่อมั่นจิตใจเห็นความศรัทธาซึ่งเป็นความรู้สึก หรือเป็นจิตใจที่เข้าใกล้ในระดับของจิตปิ ญ, ญาณที่สูงขึ้นพี่น้องครับประการที่สองนี้มีความหมายว่าอย่างครับมีความหมายว่าเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่อยู่ในระดับสูงซึ่งทำให้เราทั้งหลายมีความมั่นใจมีความหวังใจนะครับที่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เราสามารถพึ่งพาได้เป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้และพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่เราจะกราบนมัสการและฝากชีวิตของเราไว้ได้นี่คือความเชื่อครับเป็นประการที่สองเป็นประการที่สามนะครับความหลักประการที่สามที่เราพบในข้อนี้ก็คือว่าคําว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับสิ่งที่เป็นของที่อยู่ในอนาคตสิ่งที่เราทั้งหลาย ต้องใช้ความเชื่อถึงจะได้รับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลักสําคัญประการที่สามความจริงประเภทที่สามนะครับพี่น้องครับในเพิ่มพีข้อนี้ถามว่าเราเชื่อลึกซึ้งขนาดไหนเราได้เห็นความจริงทั้งสามประการนี้หรือไม่อย่างไรผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับในพระเจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้มีอยู่มีข้อคิดอยู่สี่ประเด็นด้วยกันนะครับ ตัวอย่างประเด็นแรกก็คือชีวิตของโนอาห์ครับโนอาห์นั้นเมื่อท่านได้รับคําเตือนจากพระเจ้าว่าพระเจ้าจะสรงใช้น้ําท่วมทลายล้างโลกโนอาห์มีความเชื่อใช่ไหมครับท่านจึงต่อเรือตามที่พระเจ้าทรงบัญชาวไว้เพียงครับในพระชนะพระเจ้าตั้งแต่ประตำมการบทที่หนึ่งจนกระทั่งถึงเรื่องราวของโนอาห์นะครับยังไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่ามีฝนตก แม้สักครั้งเดียวนะครับเมื่อน้ำฝนไม่มีถามว่าพืชพันธุ์สัญญาหารต้นไม้ต่างๆนั้นเขาได้รับน้ำจากไหนนะครับก็มีข้อสันนิษฐานนะครับว่าหนึ่งได้รับน้ำจากน้ำค้างนะครับที่กันตัวมาและหยดอยู่ตามดอกไม้ใบหญาต่างๆการที่สองก็คือทามที่พุ่งขึ้นจากแผ่นดินนะครับในสมัยปฐมกาลบท แ, กแรกๆต้นๆ น, น, นะครับ เราจะเห็นว่ามีการบันทึกถึงวลีที่ว่าน้ํานั้นพุ่งขึ้นมาเป็นน้ํามาดานพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นการที่นงอาร์นั้นได้รับคําเตือนจากประชาชนเขาสร้างเรือใช้ความเชื่อสูงครับนะครับและระยะเวลาที่สร้างเรือนั้นก็เป็นเวลานานมากทีเดียวจึงต้องใช้ความเชื่อและพัฒนาความเชื่อของเขาสูงท่อนแรกที่ถูกตัดถึงสูงท่อนที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับยิ่งมากยิ่งมากยิ่งต้องใช้ความเชื่อมากครับ ตัวอย่างประการที่สองก็คือการอับราฮัมครับการที่พระเจ้าประทันสัญญาเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธสัญญาอับราฮัมนั้นจะต้องเดินทางมานะครับหลายพันกิโลเมตรทีเดียวทําให้อับราฮัมยิ่งเมื่อยิ่งเดินทางเขาก็ยิ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากนะครับเขาออกจากเมืองเออแล้วก็เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับมีคนได้คาดการว่าใช้การเดินทางนะครับ ประมาณไปไ ป, ปมาในชีวิตทั้งหมดของอัปรามเนี่ยไม่น่าไม่น่าต่ำกว่าสี่พันกิโลเมตรเป็นการเดินทางแห่งความเชื่อครับพระภีบอกว่าคนเหล่านี้ได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับวันนี้ตัวอย่างสองตัวอย่างนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูอีกสองตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เหลือ <c oughs> ขอพระเจ้าทรงอัญนวยพระพร แต่ในวันนี้ผมมีภาระใจที่อยากจะที่ฐานเผื่อพี่น้องโดยเฉพ อ, อย่างยิ่งพี่น้องที่เจ็บไค้ได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือก็เมันเตรียมตัวรับการรักษาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาโปอออรดคผ่อนพี่น้องทุกทกท่านโดยเฉพา อ, อย่างยิ่งพี่น้องที่เจ็บไค้ได้ป่วยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยืนพัดของพระองค์แต่ต้องรักษาอามน